วันนี้เป็นวันที่9มกราคมพุทธศักราช2557เมื่อคืนที่ผ่านมาหลงพ่อไปวัดท่านเล็กนาขามทาบุญลำาลึกถึงหลวงปู่เหลียนวราราโภที่เป็นอาจารย์กพระก็ามามากอยอะนะ200กว่ารูปแล้วก็มีพี่น้องประชาชนกามากพอสมควร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 เอแต่ข่าวนี้ทราบข่าวว่าท่านปวดศีรษะแล้วก็ความรันแล้วก็เข้าโรงพยบาบาลทางกรุงเทพของเช้นเลือดแตกในสมองนะ่ะท่านก็เลยมรณภาพแล้วนะนี่แหละเข็นกันไปมาหาสู่กันผลในสุดก็ได้ทราบข่าวซึ่งกันละกันว่าตายไปเสียแล้วนี่แหละเรื่องความตายเป็นของ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 หลวงปู่จามเอื้อนั้นท่านอายุมากร้อยกว่าปีก็อีกส่วนหนึ่งแต่เกิดความเคารพนับถือเรื่มใสก็อยากจะให้ท่านอยู่นานแต่ภาระที่ท่านจะอยู่นานท่านก็เป็นภาระของท่านอีกเหมือนกันดูดูแล้วโ อ, อ้ไม่มีอะไรที่จะทุกข์เท่าแกชลาความทุกข์เมื่อเท่าแกชลามาในทุกจริงๆไม่ใช่ทุกธรรมดา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 แต่ตามจริงพอถึงจุดจบแล้วห่วงไหมถึงจะห่วงขนาดไหนก็ห่วงถ้าห่วงแล้วนะความห่วงตัวนั้นจะเป็นกิเลสตัวหนึ่งไปห่วงอะไรไปห่วงขนาดผ้าห่วงห่วงผ้าจีบอยยังมาเกิดเป็นเลนเฝ้าแต่เราไปเกิดไปห่วงไร่ห่วงนากนนั่นแหะห่วงลูกเราไปเกิดกับลูกห่วง ลูกถ้าลูกไม่มีที่จะให้เกิดไปเกิดกับหมาไปเกิดกับโูกตุ่กแก่อยู่ในแถวๆนั่นแ่ะไปเฝ้าขเขานั้นเพราะว่าเราเป็นห่วงเด่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นความห่วงหาอะไรเราต้องตัดความห่วงไว้ในใจข้าไม่ห่วงใครทงังขนาดร่างกายของข้าข้ายังไม่ห่วงเราจะไปห่วงใครมันต้องฝึกหัดในใจของเราลึกๆอย่างนั้นแต่การพูดออกมาไม่ใช่คาพูด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 เราได้เปรียบเขานะ่ะพื่เพื่ออเราอาจจะทุกข์ทรมานมากกว่าอีกต่างหากทีนี้พออายุมากขึ้นไปไม่ใช่จะมีความสุขอบางทีก็ ม, มีเลือกมีเล่ามีความอิดช้าพยาบาทอาขัดจ้องเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเอ็มเป็นโรคภยัยไข้เจ็บรุมเล่าพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายแม่เข่าใจกันน่มีทุกข์อีกต่างหากเพราะอะไรเพราะอายุยืนนะอายุยืนไม่ใช่ว่าจะสุขอย่างเดียวหรอกหลูกหลานนะ ทุก์ก็มีเหมือนกันนะเอาลับผ่อนอนุโมทนาให้พอ่อน